เป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้นด้วยการละการคลุกคลีด้วยหมูเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะคือตอนแรกผู้เดียวก็คือวิเวกนะได้กายวิเวกว่าบุคคลนั้นบวชแล้วอย่างนั้นเป็นผู้ผู้เดียวซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าละเมะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกก้องปราศจากชนผู้สัญจรไปมาเป็นที่ควรทากรรมลับของมนุษย์สมควรแก่การหลีกเล้น ภิกษุนั้นก็เดินผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเข้าบานบิณฑบาตผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งในที่หลีกเล้นแต่ผู้เดียวอธิษฐานจงกลมผู้เดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปอยู่เปลี่ยนอิริยาบถประพฤติรักษาเป็นไปให้เป็นไปชื่อว่าเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้นอันนี้เรียกว่าชื่อว่าเป็นผู้เดียวในเบื้องต้นด้วยการละการคลุกคลีด้วยหมู่นะก็เรียกว่าตอนแรกเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการบวชและก็อยู่ผู้เดียวจริงๆ บุคคลใดย่อมเสพเมถุนธรรมเนี่ยนะก็คือความว่าบุคธรรมะของอาสัตบุรุษเนี่ยนะบอกว่าบุคคลใดย่อมสร้งเสพเมถุนธรรมความว่าสมัยต่อมาบุคคลนั้นบอกคืนพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกคืนพระพุทธเจ้าแล้วบอกคืนพระธรรมบอกคืนพระสงฆ์บอกคืนศิกขาเรียกสมัยใหม่เรียกว่าศึกศึกเนี่ยนะศึกก็จริงๆก็มาจากคําเตมว่าลาศิกขาก็คือบอกเลิกประพฤติอธิศีณาที่จิตอธิปัญญาแล้วบอกว่าพอละนะ สํา น, นนอะพอกันทีพระพุทธเจ้าพอกันทีพระธรรมพอกันทีพระสงฆ์พอกันทีศีล ส, ส, สมาธิปัญญาไม่เอาแล้วเนี่ยนะพะะนันก็เลยเวียนกลับมาเป็นคารวาตก็ย่อมเสพซ่องเสพหมกมุ่นเฉพาะซึ่งเมตุนธรรมเพราะฉะนั้นบุคคลใดย่ยอมซ่องเสพเมถุนธรรมบุคคล น, นั้นเนี่ยนะ เ, เป็นเหมือนยางอะเหมือนยานพาหนะที่หมุนไปผิดฉะนั้น คำว่ายานก็ยกตัวอย่างยานช้างยานมา้ายานโคยานแกะยานแพะยานอูยานลาสมัยใหม่ก็รถนั่นแหละสมัยใหม่นะพวกรถพวกมอเตอร์ไซค์พวกรถยนต์รถเก๋งรถปิกอัพพวกหลารเนี่ยที่หมุนไปคือที่เขาไม่ได้ฝึ ก, ไ ม, ไ, ฝกไม่ได้ฝนไม่ได้อบรมย่อมเล่นไปผิดหมายนี้ก็เหมือนกับว่าขับรถโดยที่ไม่ได้ไม่รู้วิธีขับอนะขึ้นขับไปได้เพราะฉะนั้นไ อ, ไ, อไอ้รถที่มันมุนไปผิดเป็นยังไงอ่านะเคยเห็นคนขับรถใ ห, หม่ๆหม่ไหขึ้นไหนตรงไหนได้บ้างอ่ะ คนขับรถอ้ที่ที่ว่าขึ้นขับเองเลยนะเขาบอกว่าขึ้นตอไม้บ้างกองหินบ้างที่ไม่เรียบทําลายยานบ้างเนี่ยนะผู้ขับขี่บ้างอะไรตนั้นกะ็บางทีก็าพาไปตกเหวบ้างก็มีใช่ไหมตกเหวตกเขาตกถนนชนฝาบ้านชนสารพัดนั่นแหละพวกที่ไม่เป็นอ่ะนะเหมือนยานที่หมุนไปผิดอ่ะคุณชูเคยไหมตอนขับไม่ไหวเนี่ยนะ <S <S หมุนไปเรื่อยนะเ<ๆ>นี่ยนะเพราะฉะนั้นยานนั้นอ่ะที่หมุนคือที่เขาไม่ได้ฝึก ฝนไม่ได้หัดไม่ได้ฝึกฝ น, นไม่ได้อบรมเนี่ยนะย่อมแล่นไปผิดทางฉันใดบุคคลนั้นหมุนไปผิดเปรียบด้วยยานที่หมุนไปผิดย่อมถึงทางผิดคื อ, อนะถ้าเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นก็เกิดมิจฉาทิฐิใช่ไหมผู้ที่เป็นอย่างนี้ <c oughs> นึ่งกิมีปัญหาไปนิดนึง มันคำว่ายานเนี่ยนะคายานที่หมุนไปผิดก็คือเช่นยานช้างยานมา้ายานโคยานแกะยานแพะยานอูดยานลาที่หมุนไปอะ่ะคือที่เขาไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมย่อมเล่นไปผิดทางย่อมขึ้นบนตอไม้บ้างกองหินบ้างที่ไม่เรียบทําลายยานบ้างทําลายผู้ขับขี่บ้างตกไปในเหวบ้างะนะทําลายทั้งยานทั้งผู้ขับขี่ก็เหมือนกับคนที่ ขับรถใหม่ๆเนี่ยนะไปทำเข้าชนกองดินชนต้นไม้ชนเสาไฟฟ้าตกถนนเป็นต้นเนี่ยนะยานนั้นอะที่หมุนคือที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้อบรมย่อมเล่นไปผิดทางฉันใดบุคคลนั้นก็หมุนไปผิดเปรียบเหมือนยานที่หมุนไปผิดย่อมถึงทางผิดคือถึงมิจฉาทิฐิ ถ, ถึงมิจฉาทิฐิอนนะไรบุญปฏิเสธบาปไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเลยนะ บางพวกก็เป็นมิจฉาสังกปะใช่ไหมคือดําริที่เป็นกาโมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนะนะมิจฉาวาจาก็พูดเท็จพูดคํำยาพูดสอเสียดพู ด, พดเพ้อเจอ้อนะนะการยุทธมิจฉากัมมันตาก็คือเนี่ยปานาติบาตอธินนาทานการเ ม, มสุลมิจฉาจานมิจฉาอาชีพก็ประกอบอาชีพที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละคืออาชีพทำปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยนะ มันบางพวกก็มิจชาวายามะมิชาวายามะก็คือเจริญบาปเจริญอากุศลอย่างเดียวมิจชาสติก็หลงลืมคําสอนทั้งหมดมิชาสมาธิก็จิตเป็นไปกับอกุศลเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นไปในมิฉามักเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันยานนั้นที่หมุนไปผิดคือที่เขาไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อุบรมย่อมขึ้นต่อไม้บ้างขึ้นกองหินบ้างขึ้นที่ไม่เรียบร้อยฉนยันใดบุคคลนั้นหมุนไปผิด เปรียบเหมือนยานที่หมุนไปย่อมขึ้นสู่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริตเนี่ยนะตานาธิบาตอาทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาตปิสุณาวาจาพฤทธสวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาดมีดฉาทิฐิสังขารกามมคุณห้านิวอนอันไม่สม่ำเสมอฉะนั้นตกลงก็หันไปทําชั่วทางกายทางวาจาทางใจประพฤติล่วงอกุศลกรรมบทสิบเนี่ยนะหมกมุ่นในกามคุณห้า นิวรณ์ห้กลุ่มลมเพราะฉะนั้นบุคคลนี้ก็เหมือนกับยามที่หมุนไปผิดคือที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมย่อมทําลายแม้ผู้ขับขี่ฉันใดบุคคลนั้นก็ย่อมหมุนไปผิดเปรียบเหมือนยามที่หมุนไปย่อมทําลายตนในนรกนะที่ที่ไปทําความชั่วทางกายวาจาใจเป็นเรื่องอกุศลกรรมบดหมกมุ่นในกามนิวรณ์กลุ่มล ม, มะนะเพรา ะ, ะนันก็เลยทําลายตัวเองในนรกบ้าง ทำลายตนในกำเนิดสัตว์เดรัชานบ้างทำลายตนในเปรตติวิสในมนุษย์ทำลายตนในเทวโลกบ้างฉะนนั้นเห็นไหัตนพวกนี้ก็เนไเสียหายแก่ชีวิตเป็นอย่างมากนะตนนในที่สุดก็ตกอบายไปนะก็เหมือนกับเดรัชานที่เราได้ยินอยู่ตอนเ น, นี้นะอดีตมันก็เคยเป็นนักบวชเก่ามาทั้งนั้นแหละนะั่นแหละคือในสมัยพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าในอดีตนะเนะี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว ก็คงอาจจะเคยไปบวชแต่ว่าตอนหลังก็ผิดเพี้ยนไปเนี่ยนะฮัลไปทําบาปทำอาคุลก็อย่างนี้แหละยานที่หมุนไปคือที่เขาไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้อบรมย่อมตกเหวบ้างฉันใดบุคคลนั้นก็หมุนไปผิดเปรียบเหมือนยานที่หมุนไปเนี่ยย่อมตกไปสู่เหวคือชาติบ้างนะเกิดมาแล้วงั้นตกไปสู่เหวคือชาราตกไปสู่เหวคือพญาที่ตกไปสู่เหวคือมรณะ ตกไปสู่เหวคือโซโกาปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาตสรุปก็คือตกลงสู่ในกองทุกอันนะเหมือนกับออดีตชาติเนี่ยขนะสมัยพุทธกาลตัวมแวมลงเนี่ยตัวแมลงในรบกวนน่าดูเลยนะสิงแค่นิดเดียวนะไม่น่าติดติดดับดับเลยอือหนึ่งสองสาม ในเรื่องของพระสานุเนี่ยนะตอนที่ท่านยังเป็นสัมมณีน เ, น เ, นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านท่านเป็นหนุ่มละอายุเนี่ยอายุได้ครบบวชพอดีแต่ท่านไม่อยากบวชต่อท่านอยากศึกพอท่านอยากศึกท่านก็กลับไปหาแม่ <c oughs> ทีนี้ท่านเนี่ยมีแม่ในอดีตชาติแม่ในอดีตชาติเนี่ยเป็นยักษ์ตอนที่ท่านไปนั่งรออยู่ที่บ้านรอแม่เนี่ยนะจะศึกอะ่ะจะบอกแม่จะลาแม่ศึกอะ่ะ เสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวฉันอาหารก่อนนะค่อยสึกเหมือนกันค่อยๆยว่ากันอีกทีนึงท่านภาษานุก็รอแม่ก็ทำกับข้าวไอระหว่างที่รอรอนั่นแหละแม่ในอดีตชาติที่เคยเป็นยักษ์ก็มาสิงเลยนะมาเข้าสิงเข้าสิงแล้วก็สั่งคนที่อยู่รอบๆออย่าให้สานุท่านสึกนะเนี่ยนะอย่าให้ท่านสึกเสร็จแล้วพอ พอยักเนี่ยออกไปเนี่ยนะท่านภาษาสัมมเณศสาวนุก็รู้ตัวขึ้นพอรู้ตัวก็เห็นแม่เนี่ยร้องให้อ่านะทีนี้สาวนุสัมมเนศเนี่ยก็ถามแม่ว่าแม่จ๋าคนทั้งหลายเขาร้องให้เนี่ยนะเขาก็ร้องให้ถึงคนที่ถึงถ้าถ้าเป็นอยู่ก็คือร้องให้ถึงคนที่จากไปที่ไปที่ไกลเนี่ยนะหรือร้องให้ถึงคนตายแต่ฉันเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนฉันก็ไม่ได้ตายเนี่ยทําไมแม่จึงร้องให้ถึงฉันแม่ก็บอกว่า เขายกออกจากเท่ารึงแล้วเนี่ยนะยังย้อนกลับมาหาเท่ารึงตามเดิมเนี่ยยกออกจากของร้อนแล้วยังตกมาสู่ของร้อนอกนีกนะแม่ก็ร้องไห้ถึงคนนั้นนั่นแหละตอนหลังท่านก็ตัดสินใจว่าไม่ศึกแล้วไม่ศึกท่านก็บวชบวชตอนหลังก็เป็นพระรหาร น, นี่เป็นพระรหา์ที่มีความสามารถแสดงธรรมมา ก, กนะเนพันการถือว่าการศึกในาศาสนานี้ก็ถือว่าเป็นความผิดที่ที่เรียกว่าหน้ากรุณาเป็นอย่างมากสําหรับบุคคลนั้นนะก็เหมือนว่า มาประกอบในอริยทรัพย์คืออริยทรัพย์คือสัทธาคือหิริโอตตะอริยทรัพย์คือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ทิ้งอริยทรัพย์เหล่านั้นนะหันมาก่อกรรมทําความชั่วเรียกว่ากลับมาเป็นคนยากคนจนคนยากไร้ตามเดิมเนี่ยคือทิ้งอริยทรัพย์ออกไปเมื่อทิ้งอริยทรัพย์อย่างนี้แล้วเขาก็มากไปด้วยความเลวทางกายทางวาจาทางใจล่วงอกุศลกรรมบทถูกนิวรห้ากลมลมหมกมุ่นในกามคุณ เพราะอั น, นั้นแหละก็ทําให้เขาเนี่ยกับไปเกิดในนรกเปรตสุรกายและสัตว์เดรัจฉานแต่ก็มีบ้างอะนะที่มาเกิดในมนุษย์และเทวดาถึงมาเกิดอย่างนั้นอีกก็ตกอยู่อานาจของชาติชรามราณะโศกาปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตก็เหมือนตกเหวเลยแหละคํานะคว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นปุตุชนคนเลวเนะี่ย น, นี้ก็เป็นคนเลวว่างั้นคําว่าปุตุชนเนี่ยคือยังไงนะมาวิเคราะห์คําว่าปุตุชนนะนะ คำว่าปุตตชนเนี่ยพราะอาจว่าอะไรคำว่าปุตุชนเนี่ยพออาาราะ อ, อาจว่ายังกิเลสหนาะให้เกิดกิเลสหนาะมันไม่ค่อยบางนะอะไรถ้าบางๆอะ่ะก็แสดงว่าไม่หนาะเช่นเมฆบางอ่ะนะเมฆบางอะไรบางฝนบางเงินบางเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่หนาะถ้ากิเลสบางก็คือกิเลสไม่ค่อยเกิดอะ่ะ ถ้ากนะิเลสหนามันก็เกิดบ่อยเกิดมากเกิดเนืองเืองเกิดนานแน่นเนี่ยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหมกมุ่นอย่างนั้นแหละเรียกว่ากิเลสหนาเกิดหรือพออาดว่าคําว่าปุุชนเพราะมีสกายติฐิที่ยังไม่ได้กําจัดเนี่ยหนาแน่นแย่เข้าไปตรงไหนก็อัดก็เราก็ของเราทั้งหมดอนะเนี่ยเราเนี่ยก็เราอ่ะก็เราอ่ะก็อยู่แต่เรานี่แหละอัตาของเรานี่แหละตาเป็นเราเนี่ยนะรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาอัตตาอยู่ในรูปสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันพวกนี้ก็มีสกายะทิฏฐิที่ยังไม่ได้กําจัดเนี่ยหนาแน่นอย่างมากปฏิญาณต่อศาสดามากเนี่ยนะคำว่าปฏิญาณต่อศาสดามากนะเดี๋ยวก็นับถือศาสดาหนึ่งเดี๋ยวก็หันหน้านับถือเรียกว่าหาอาจารย์มากนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ย เดี๋ยวก็จากรัฐที่หนึ่งสู่รัฐที่หนึ่งจากรัฐที่หนึ่งสู่รัฐที่หนึ่งหาอาจารย์คนแลว้วคนเล่าอาจารย์คนแล้วคนเล่าแปลว่าแงน่น่าดูหน้ า, าศาสดา ม, มากอ๋อไปเรื่อยนั่นแหละเพราดว่าอันคติทั้งปวงนี่ร้อยรัฐมากคติทั้งปวงก็คติหนะนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัชานมนุษย์เทวดาเนี่ยเขาก็จากคติหนึ่งสู่คติหนึ่งจากคติหนึ่งสู่คติหนึ่งอ่ะอันปุตชนเนี่ยก็คือผู้ที่มีคติไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นเนี่ยนะ มีคติเนี่ยร้อยเอาไว้เป็นอันมากก็่าสัมนวนร้รอยเป็นพวงๆพงเลยกันเพระาะัถทว่าเป็นผู้อนันอภิสังขารต่างๆปรุงแต่งไว้มากปุถุชนคือคนทํากรรมไวมากอะ่ะเราผู้มีกรร ม, มะนะทาทั้งกายกรรมวจีกรรมทําทั้งมนโนกรรมเนี่ยนะทำกรรมไวเยอะเนี่ยนะกรรมทั้งอดีตเนี่ยนะกรรมที่เฉพาะชาตินี้ก็บ้านเนี่ยนะเกิดมา่กี่สิบปีก็ทำกรรมมาเท่านั้นแหละ และอดีตชาติอ่ะเป็นไรไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้านกี่โกดกับตลอดเป็นอาสงไขเป็นอเนกเนี่ยนะมันทำกรรมไว้บานเลยทั้งกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมเนะ่ยกรรมที่ไม่ทําก็คือโสดาปฏิมะที่เหลือทําให้หมดอ่ะรองลงมากว่า น, นั้นนะทำกันหมดอ่ะทั้งชั่วทางกายวาจาใจทานศีลภาวนาเอาหมดอ่ะนะทำทั้งดีทั้งชั่วเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้แต่ก็ทําบุญเดี๋ยวก็ทําบาปอยู่งี้แนหะ ชื่อว่าปุตุชนพระอัฏฐาว่าเป็นผู้ลอยไปตามโอคากิเลตต่างๆเนี่ยเป็นอันมากนะเดี๋ยวกามโมคะพัดไปทีหนึ่งเดี๋ยวพโคคะพัดไปทีหนึ่งเดี๋ยวทิโขคะพัดไปทีหนึ่งก็จมอยู่อวิชานั่นแหละอวิชามันพาล่องลอยไปเรื่อยๆนะเลยเรียกว่าปุตุชนหรือเชื่อว่าปุตุชนเนี่ยพระอัฏฐาว่าเป็นผู้เดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนต่างๆมากนะนก็เห็นไหมปุตุชนสงบร่มเย็นอยู่ผาสุขสบายเนี่ยนะ ไม่ค่อยมีหรอกไม่ร้อนเรื่องหนึ่งก็ร้อนเรื่องหนึ่งไม่ทุกเรื่องหนึ่งก็ทุกอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเขาจึงเร่าร้อนมากเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนต่างๆก็เป็นผู้กำหนัดปราถนายินดีติดใจลุ่มหลงเกี่ยวข้องพัวพันอยู่ในกาลมาคุณห้ามากนะแสดงว่าต้องการแต่รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพธรรมรมเนี่ยมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้แต่ก็ถูกนิวรห้าเนี่ยร้อยรัดปกคลมุมหุ้มหอ่อปกปิดปิ ด, ปดบังครอบงาเอาไว้มากอนะไร พ็ปุตุชนเนี่ยนะพอเขาเครียดเขาไปทําไงนะก็ไปแก้ด้วยให้เกิดกามาราคานิวอนแทนพอการมาราคานิวอนอันนัก็หมุนอ่ะจริงๆอ่ะปุตตุชนเนี่ยเขาไม่ได้ปิดนิวอนนะแต่ว่าสลับนิวอนเกิดอ่ะนะจากนิวอนหนึ่งไปนิวอนหนึ่งจากนิวอนหนึ่งไปนิวอนหนึ่งอ่ะนะหมุนเวียนเปลี่ยนนิวอนไปเรื่อยพอเครียดก็ไปหาอะไรให้โลภะเกิดพอโลภะเกิดไปนานๆเข้าเครียดอีกแล้วไปหาอะไรอีกเนี่ยนะไปหลับบ้างไปอะไรบ้าง บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นปุตุชนคนเลวมีความว่าบอกพูดแสดงแถลงอย่างนี้ว่าเป็นปุตุชนคนเลวซ า, า, า, ามต่ำช้าสกปรกต่ำต้อยเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าผู้ใดบุคคลใดเนี่ยเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้นผู้เดียวผู้เดียวด้วยการบวชผู้เดียวด้วยการอยู่แต่ผู้เดียวเนี่ยนะแล้วก็ตอนหลังก็มาส่องเสพเมถุนทำบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่านะะ่ะเป็นปุตุชน คนหนาว่างั้นแต่เป็นคนหนาด้วยกิเลสเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เป็นคนเลวในโลกเหมือนยวดยามที่หมุนไปผิดาถามว่าหมุนไปผิดยังไงก็พอศึกเข้าไปแล้วก็ไปทําความชั่วทางกายทางวาจาทางใจประพฤติร่วงอกุศลกรรมบทนั่นก็ตกไปในเหวคือนรกเปรตสุรกายเทวดาถ้าทำบุญบ้างก็มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็น เ, เนทวดาแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็คือไปสู่ชาติชรามรณาโศกกาปริเทวทุกโทมานัตและอุปายานนั่นเอง